เห็นคณะศรัทธาญาติโยมชี้พลามก็รู้สึกว่าอกุณเพราะยังให้ความสนใจแต่วันนี้เป็นวันเป็ น, นปฐมฤกษ์อีกต่างหากถ้าวันต่อไปก็คงจะมีพี่น้องประชาชนคงจะมากกว่านี้พวกเราที่มารุ่นแรกก็คงจะเป็นคงจะมาเสียสละติ้งยังไงก็ให้ ครบเจ็ดวันนะพราะว่างงานของเรางานหลวงพ่อของเราเนี่ยแต่แต่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเพราะนั้นขอให้ถ้าไม่มีอะไรเราเป็นคราวญาญาติโยมกัจกจ่าโอกาสอย่างนี้ได้ยากเพราะการบวดเนคคัมการเสียสละรักษาสินอมโบสดรักษาสินแป เราหาอย่างนี้หาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากปีหนึ่งเราควรจะเสียสละปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะว่าปีหนึ่งมีทั้งสามร้อยหกสิบห้าวันเราเสียสละสักเจ็ดวันไม่ได้หรอกแต่าพวกเราคิดคำวนวณวันออกมาแล้วเรามารักษาศีลอุโบสถในวัดป่าบ้านค้อเพื่อบูชาพระคุณ หลวงพ่อของพวกเราหลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นสติเป็นมงคลสำหรับตัวของพวกเราเองแต่ตลอดถึงครอบครัวของพวกเรามาตั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาจริงๆในขณะที่มารักษาศีลในวัดวันนี้ก็เป็นวันปฐมฤกษ์หรือว่าเป็นวันแรกเนื่องในงานสงน้าพระบรมสารีิกธาตุ ครั้งที่สิบห้าประจำปีพุทธศักราช2555นห้ารหาสิบห้าณพมหาทาเจดีเฉลิมพระบรมีพระนวมินวัดป่าบ้านคอตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดมีนาคม พุทธศักราช 2,515 รวม7วัน7คืนเพราะนั้นหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเป็นองค์แรกกวาา็ว่าได้เพราะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อจึงขอให้พวกคณะทธายาิโยมที่ได้ฟังอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อจะจะให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่รักษาศิ่งให้ครบจ7วัน บวชเนกธรรมรักษาอุโวร ส, รสิงให้ครบเจวันได้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแห่มากทีเดียวนะเพราะถือว่าปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่และเป็นครั้งที่สองงานจวบกันสองงานยังไงคือสมัยเมื่อหลวงพ่อพวกเรายังอยู่ยังผงทร ง, งทาาทันอยู่ท่านก็ พาพวกคณะศรัทธาญาติโยม พ, พระสงฆ์ที่เป็นสิทยาอนุสิ์ของท่านได้ช่วยได้ห่วมกันจัดงานสงพระธาตุแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่ผ่านผ่านมาขณะที่ท่านยังทรงทาตคันอยู่แต่เมื่อท่านมรณาภาพไปคณะสิทยิอนุสิ์ทั้งหลายก็ได้ขอพระเจทานเพลิง ของหลวงพ่อของพวกเร า, เาก็ใกล้กันกับนี่แหละวันส่งน้ําพระธาตุก็เป็นอันว่าพวกเรามาในคราวนี้มาได้สองอย่างสองอย่างก็คือเรื่องแรกก็คือพวกเราได้มีจิตศรัทธาเหมือนกับหลวงพ่อพารมพาดําเนินมาพวกเราได้ส่งพระธาตุพระปรรมสารีริกธาตุ แล้วก็ธาตุของพระอรหันต์อันนั้นก็คือเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่ง เ, เพอใกล้วันมาค่าบูชาแต่ก็พร้อมกันเราก็มาลำลึกถึงหลวงพ่อของเราที่เป็นพระมหาเถระที่มีอุปกระคุณสาหรับพวกเราที่แนะนำสั่งสอนพวกเราเมื่อท่านยังทรงธาตุขันอยู่ท่านก็เองมีได้มีเมตตา แนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักศีลธรรมจริยธรรมวิธีกา ร, รปฏิบัติตนเองปฏิบัติต่อศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างไรพวกเราก็ได้ศึกษากับองค์ท่านบัดนี้พวกเราได้ถึงวันหนึ่งพวกเราก็ได้มาร่วมกันแสดงความเคารพสักการะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแลตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้ แสดงธรรมเทศนาหรือว่ากล่าวสมโภชนิยกถาให้แก่พระนจตาญาณโยมเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพราะการฟังของพวกเราก็มีเรามีหูอยู่สองข้างเกิดมาตื่นมาเราก็ต้องฟังฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้ฟังเรื่องดุเรื่องดีเรื่องมงคลเรื่องอภปมงคลหูของเราฟังได้ทั้งนั้น โดยมากมีตด้หลับเวลานอนหลับหูของเราเจรึงไม่ได้ไม่ได้ฟังแต่ตาของเราเถ้าเราไม่อยากจะฟังไม่อยากจะดูเราหลับตาได้แต่หูมันหลับไม่ได้ถึงอย่างไรมางย่างก็ยังได้ฟังได้ยินเพราะนั้นเมื่อได้ยินได้ยินได้ฟังแล้วกพวกเราก็รู้จักแยกแยะนะใช้ปัญญาแยกแยะ ร, รู้จักสิ่งไหน เ, เกิดเปิดเกิดประโยชน์สิ่งไหนไม่เกิดประโยชน์ พวกเราท่านทั้งหลายให้ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลพ่อหลวงพ่อของเราหลวงพ่อทูลของเราฟังดูสิว่านำฉายาของท่านเขคิด ป, ปะปัญโยผู้มีปัญญาอันเสียบแหลมพวกเราลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ควรจะใช้สติปัญญาเหมือนกับองค์หลวงพ่อของเราให้นำมาคิดนำมาพิจนารณา การคลองไตรตรองเหตุและผล ท, ที่พวกเราได้ฟังอันไหนมาแล้วก็การกลองฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบในทำคําสอนเปรียบเทียบถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนั้นการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังมากองพอว่าเกิดประโยชน์นะอนัตตาญาจโจิโยเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ได้ยินได้ฟัง เหมือนกับเราอยู่ในมุมหนึ่งอยู่ในมุมมืดเพราะนหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยยกเป็นบาลีขึ้นมาอย่างว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังนะี่ถ้าว่าคนไม่ได้ยินได้ฟังเกิดมาแล้วเ อ, อเอาเข้าตู้อบไปเลยเอาเข้าตู้แกวไว้เลยคนนั้นจะ อ่านออกเขียนได้จะรู้จักภาษาคนไหมไม่รู้นะเราพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังชุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ยินได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุมีผลอย่างไรอยอดกินตามะยะปัญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้นิ่งจากนั้นก็กลั่นกรองไตรตองสิ่งที่ได้ยินมานั้นะมีเหตุมีผลอย่างไรอันนี้เรียว่าภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่จินตามายปัญญากับสุตตามายปัญญาเป็นปัญญาทั่วไปเป็นปัญญาสามัญชนทั่วไป แต่ภาวนาพยาปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้า ท, ท่านได้แนะนำภาษา voke ของท่านก่อนที่จะกันกรองไตรตรองเหตุเอาไหนก็ตามต้องทําจิตใจให้สงบซะก่อนแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาของเราจากนั้นก็ตัดสินใจโดยเด็ดขาดได้ในระหว่าภาวนาพยาปัญญาเออจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตัดได้ได้บอก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 ผ่องแพ้่พองใสในจิตใจเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเององค์หนึ่งเป็นการแสดงหรือว่าการแนะนำคณตทายญาติโยมทุกทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้ต่อไปกับพวกเราคงจะได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่จะให้แนวความคิดกับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นระยะระยะ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังปัญญาจะเมนติกะตังกุหินจิตตสัมมานสังสังเคมาราณาขมายะ ต, ติวันนี้นบว่า เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันพบพรอบหรือว่าวันใกล้ที่วันเราจัดขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงหลวงพ่อทูลของพวกเราที่ท่านมรณภาพและส่วนหนึ่งพอพวกเราเคยเส่งพระธาตุที่พระธาตุมหาเจดีย์ที่สูงตระหง่านอยู่ที่นี่ พวกเราก็ได้ส่งพระธาตุพ่อหลวงพ่อของเราได้เป็นผู้พานำส่งพระธาตุเป็นเวลาหลายปีปีนี้เป็นปีที่สิบห้าเพราะนั้นพวกเราพระจักรายญยติโยมได้มาร่วมกันในวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีถ้าว่าพวกเราสั่งสม บุคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแล้วพวกเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขในหลักของพระพุทธศาสนาสุดแท้แต่ภูบาลจารจะนำหยิบยกจุดไหนมาแสดงมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทัน้งหลายได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสุดธรรมายัปัญญาจีนธรรมายปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็จะได้จับ มุมที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เห็นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันได้มารักษาศีลในวันนี้คือม า, มารักษาศีลเนคขมมะคือรักษาศีลอุโบสถโดยมากจะเป็นศีลอุโบสถศีลคือพวกเราบวชเนคขมมะก็ขอให้อยู่ตลอดรอดฝังและก็พร้อมกันสิลแปดเนี่ยคือปาณาติปาข้อที่หนึ่ง ไม่ให้ฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เรานึกคิดเราคิดดูให้ดีแต่แล้วกันถ้าหากเราไปฆ่าคนอื่นคนอื่นมาฆ่าเราเราคนเดือดร้อนเราก็เป็นทุกข์เราไปขโมยของคนอื่นขคนอื่นมาขโมยของเราอันนี้เราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าสินห้าสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเราต้องเคารพสิทธิ์ของเขาเราต่างคนก็ต่างมีแต่รักษาอุบสน์ศสิน ท่านให้ถือเคร่งเข้มไปกว่านั้นอีกอให้อยู่เป็นพรหมพิจันต์เหมือนประพฤต์ดังพรหมต่างหององค์ก็ต่างอยู่คือเขารบเป็นผู้ชายก็อยู่ตามผู้ชายเป็นพรหมพิจันย์ผู้หญิงก็รักษาพรหมพิจันต์เ อ, อกเหมือนกันอันนี้ก็คือสิบแปดจากนั้นก็มุสาวาทาเวรัมณียากโอกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาอยู่ด้วยกันข้อที่ห้าสุราเมระยะมัญชักพมา ห้ามดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่หวิการละโพชนาะห้ามม่ให้ทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปข้อที่เจนักจักีตะวาย่าฟังเสียงร้องรำขับร้องจะทำให้จิตใจของเราวันไหว ไ, ว, ไ, ว, ไว้แวงไม่อยู่ไม่สงบนักจักรีมาลา ห้ามไม่ให้ทัดทรงดอกไม้ของหอมและก็อุจจาร์ไมห็นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแลสำลีสรุปแล้วคือศสินเก้านะครับสถา ย, ยาจโฉมแต่สินแปดกับสินข้อแกับข้อเก้านีท่านบวกเข้าหากันมาลาและ อ, อุจจารยยะสรุปแล้วคือสินหกตั้งแต่ข้อหกมาเนี่ยจนถึงข้อเก้าเนี่ยข้อ ข้อหถึงข้อหนึ่งอันนั้นการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันการที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นปลาสุขเป็นสุขได้ต้องมีศี่ห้าอย่าคิดฆ่ากันอย่าข้าโบยกันอย่าประพฤต์าลาบและล่วงสามีภรรยาของคนอื่นให้เคารพสิทธิกันข้อที่สี่ก็ไม่ให้โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันข้อที่ห้าก็ไม่ให้ดื่มโุราแล้วก็ เมื่อของมืนเมาทำเมาขาดสติแล้วทำความชั่วด้ทุกอย่างคนเมาอันนี้ก็คือห้าแต่ข้อที่หกเป็นเครื่องขัดเกลากิเลตด น, นะอธิาาษฐ า, าญาติโยมเครื่องขัดเกลาอย่างไรโดยมากใจของเราเพิ่มกับเพิ่มท่านูวัดเราอยากจะทานอาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าทนว่าทดลองตัดดูสิตัดรถตัดลิกดูสิอย่าไปกินอาหารนะตั้งแต่เที่ยงแล้วไปเป็นยังไง ใจของเราหวั่นไหวเกรยวแกว่งอย่างไรไหมดูใจของตัวเองเถอะเออสิลข้อที่หข้อที่เจ็ดก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ยังไมได้ฟังเสียงร้องรําทําเพลงเป็นยังไงใจของเราจะมีความทุกข์ไหมอันนี้ก็ให้ดูใจอีกเหมือนกันอ่านักจักรีมาลาก็ทัดทร ง, องดอกไม้ของหอมก็คื อ, คอตัดอารมณ์ทางจมูกอวัยวะตัดกลิ่นเอออย่าไปทรงลูกใยเออจนทําให้ ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายให้รักษาพอประมาณอันนี้ก็คือมาลาและอุดจาที่นอนยัดนุ่นและซ้ำหรืยไม่ให้สัมผัสทางกายอบอุ่นจนเกินไปจนไม่อยากจะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมติดที่นอนติดที่นอนหมอนมุง้งอันนี้ก็คือเป็นเครื่องขัดเกลี่ยเละถ้าจะเปรียบเปรียบเทียบกับพระสงฆ์แล้ว ก็เหมือนกับธุดงเตระสะธุดงสิบสามธุดงสิบามข้อเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสสำหรับพระสงฆ์อเ น, นินหกงศิษแปดสิงแปเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของคณะศรัทธาญาติโยมคืออุบาสกอุบาสิกาสำหรับขัดเกลาเรื่องกิเลสให้ดูใจของตนเองเป็นสวนมากโดยมากมันติดในความสุขอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกัน รสะทุตรงฉิบสาม เ, เราจะบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ในป่าเป็นวัดอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดฉันอาชนะเดียวเป็นวัดใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือจํากัดในความฟุ่งเฟือยของตนเองกำจำกัดกิเลสคือความอยากในจิตใจของเร า, เาไม่ให้มันฟุฟ่มเ ฟ, ฟ, ฟือยผุ่มเฟือฟุ่งเฟือยในการเป็นอยู่ อันนี้จัดว่าเป็นหมวดศีลหรือเป็นหมวดหมวดที่สํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลนีนะ่ยอันนี้ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้เป็นธรรมแล้วการอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนหลายท่านขนาดไหนพวกเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะสํารวมเรามีศีลแตนี้ยังไม่พอหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าให้มีสมาธิด้วยทนี้สมาธินี่คือให้ดูใจของตนเองการนึกคิดถ้าว่าพวกเรานึกคิดไปนในทางสัมมาทิฏฐิในทางที่ถูกต้องพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นในระดับหนึ่งคล้ายว่าคำว่าสัมมาทิฏฐิคำนี้มีหลายระดับมีระดับต่ำระดับกลางระดับสูงสุดระดับสูงสุดก็คือ สัมมาทิฏฐิที่ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์นั่นก็ะคือเป็นผู้เป็นสัมมาทิฏฐิที่สูงสุดตักันลงมาก็มีหลายระดับเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหายาิโยมก็ทุกท่านที่มารักษาศีลอุโบสถในคราวนี้ในครั้งนี้ก็ขอให้พวกเราเน้นเรื่องปิตาวนา ขอเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีพวกเราอพอรู้จักแนวทางแต่เรื่องภาวนาคำนี้นะี่ยอาจะให้พวกเราท่านทั้งหลายสนใจและปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไดศึกษาในแนวทางของหลวงพ่อของเร า, า, ห, ลาหลวงพ่อทูลของพวกเรานะท่านก็จะเน้นหนักไปทางใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาเป็นหลักให้การกรองไต่ตองพิจารณาให้ใช้ปัญญา ทีปรัสนาเป็นหลักแต่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านก็นให้เขาว่าท่านให้เป็นกลางให้เขาว่าท่านให้เขาว่าท่านดูพวงชนแล้วดูศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนท่านบอกว่ามีหลายระดับเหมือนกับนักเรียนไม่ใช่จะมีแต่หัวกะทิหรือว่าผู้มีปัญญาเสียบแหลมเท่านั้นก็มีผู้หัว วัดทือก็มีนักเรียนหัวถุยก็มีเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เลยสอนใ ห, ให้ทําจิตใจอย่างนี้นะให้ทําสมาธิก่อนนะให้บริกรรมพุทโธพุทโธก่อนนะเวลาก้าวไปที่ไหนให้มีสติให้ดูสติสักก่อนให้ดูการก้าวเดินไปที่ไหนการจะก้าวเดินการแจ่ฉันอาหารการจะทานอาหาร รื่อนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ให้มีสติสัมปชัญญะให้มีความรู้สึกกับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้ก็คือเบื้องต้นในการเริ่มสมาธิแต่สำหรับหลวงพ่อของเราท่านบอกว่าให้ดูใจให้ดูใจให้พิจารณาดูให้ดูความลึกคิดของตนเองเป็นหลักจากนันกาให้เห็นอนิจังของไม่เที่ยงแล้วก็ทุกขังอนัตตาท่านให้ดูใจ ให้ดูความรู้สึกนึกคิดของตนเองแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โหยมากท่านจะสอนไว้ให้ดูกายแ ต, แต่ตามไม่จริงถูกไหมถูกหลวงพ่อเราโพูดถูกแต่ท่านสอนแบบคิปปัญญาพวกรู้ได้เร็วถ้ารู้ได้เร็วอย่างที่ท่านพูดท่านจะไปได้เร็วแต่ถ้าว่าท่านทาปิญญาเนี่ยมีหลายระดับท่านจะต้องสอนเป็นตามตามขั้นตอน เรื่องให้ดูกายเสรุปแล้วก็คือกรรมฐานที่ถ้ายกเป็นหลักขึ้นมาเป็นหลักใหญ่ขึ้นมาก็คือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายก็คือให้พิจารณากายให้เห็นกายถึงจะย่างยกอย่างพวกเราบางท่านก็เคยภาวนายกหนอพองหนอยกหนอก้าวหนอยกหนอพองหนออันนี้ก็คือเอา ก, กาย เวลาเรายกไปก็คือกายยกอันนี้ว่ากายยานุปัสฐานจะติดปฐฐานผิดไหมไม่ผิดถูกถูกในระดับหนึ่งแต่อันนั้นเป็นวิปัฏนาใช่ไหมไม่ใช่เพียงสมถะพยายามทําจิตให้สงบไม่ใช่วิปัสนาแต่พวกเราว่าวิปัฏนาแต่ไม่ใช่แตห่หลักจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นสมถากือพยายามทําจิตใจให้สงบยกหนอก้าวหนอเดินหน่อ อันนี้ก็คืออย่างหนึ่งตอได้ภาวนาพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คืออะไรเรียกว่ากายยานุปัจฉนาเพราะลมหายใจเข้าออกก็คือกายอันนี้ก็คือนํากายเป็นหลักแล้ว่า ก, กายยานุปัจฉนาเจติปัฏฐานส่วนเวทนานุปัจฉนาเจติปัฏฐานให้กําหนดดูความเจ็บปวดสมมติว่าเรานั่งภาวนา เราปวดเข่าเราปวดขาเราปวดหลังปวดเอวปวดที่ไหนไหนเราเอาสติอยู่ตรงนั้นดูเวทนาดูเวทนากายกําหนดดูมันปวดมันปวดกายเพราะอะไรเพราะใจของเราไปรับรู้ไปรับทราบใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราไม่เอาใจไปรับรู้รับทราบมันกายมันก็เหมือนกับสักว่ากายแต่นี้เราไปให้ความสําคัญเอาใจไปเอาใจไปแบกมัน มันก็เลยเจ็บปวดแต่ถ้าว่าใจของเราออกจากร่างเหมือนขขงคนตายเหมือนคนตายแล้วร่างกายมันก็มีอยู่มีตามีหูมีแข้งมีขามีตีนมีมือแต่เอามีดไปสับเอาขวานไปฟันเอาไฟไปเผามันเจ็บมันร้องไหมไม่เจ็บไม่ร้องเพราะเหตุไรเพราะใจของเขาออกจากร่างแล้วมีแต่ร่างกายเท่านั้นใจไม่อยู่ก่างเพราะนั้นเอาเถอะ เมื่อเรายังถึงใจของเราอยู่กับปลัง่งก็เถอะเราก็รู้อยู่แล้ว เ, เรากับกายกับใจใจกับกายเนี่ยเราก็พยายามแยกแยะดูจะเนี่ยเออกายทศว่ากายเออไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาใครข้าว่าแยกจิตออกจากกายเนี่ยแยกตัวผู้รู้ออกจากกายทดลองดูซิอันนี้ เ, นเราวเวทนานุปัฏนานสติติปฐานพิจารณาเวทนาเวทนากับกายกายกับเวทนา ถ้าเราไปแบกเข้าไปกายมันก็ปวดมันก็เจ็บแต่ถ้าเรารับรู้สักแยกออกมาเรามองดูมองมองดูมองดูกายและไม่ให้ความสําคัญแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายให้เป็นคนละอย่างกันเหมือนกับเราเออเหมือนใจของเราเหมือนกับโซเฟอร์รถอย่างงั้นน่ะเนี่ยร่างกายเหมือนกับรถอย่างนั้นน่ะแต่ถึงเอาไฟเผาเออไฟไฟเผารถแต่เราไม่เข้าไป มันก็ไม่ร้อนเราอยู่ข้างนอกนะแต่เราเข้าไปแบดแต่มันก็ทุกใหญ่มันก็ทุกโซเฟอร์ต้องเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์อยู่ในอยู่ในกายนั้นแต่ถ้ า, าโซเฟอร์ออกมานอกกายซะให้เป็นคนละส่วนกันแล้วก็ถึงจะค้อนทุบขวานสับเอาไฟเผารถก็ไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะกายกับใจมันคนละอย่างกันอันนี้คือว่า เวทนานุปััชนาจติปัฏฐานจิตตานุปัชนาจติปัฏฐานก็คือจิตใจของเราความนึกคิดของเราเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรให้ดูใจของเราใจของเรานึกคิดปรุงเรื่องอะไรให้เอาติตดูที่ใจของเราตามใจให้ทันดูใจให้ทันขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรอันนี้เราว่าจิตานุปัชนาจิติปัฏฐาน ธรร ม, มารุกปัจจนาสติปัฏฐานก็คือธรรมารมณ์ที่มากระทบใจถ้าเป็นส่วนดีเลยกกุศลถ้าเป็นส่วนชั่วเล็อกอกุศลที่มากระทบจิตใจของพวกเราอันนี้ก็ให้รู้ว่าดีหรือชั่วที่มากระทบจิตในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อันนี้เลยว่าธรร ม, มารุกปัจจนาสติปัฏฐานสรุปแรกก็คืออยู่ในสติปัฏฐานสี่ที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่นี้ แต่พวกเราครูบาอาจารย์จะแนะนำสิ่งไหนที่จะเข้ามานำมานมาประพฤติปฏิบัติแต่บางท่านก็เน้นหนักเรื่องทรมาคือทรมารมที่สิ่งที่มากระทบใจบางท่านก็พิจารณาถึงจิตตารู ป, ปรสนานสติปัฏฐานบางท่านก็พิจารณาถึงเวทนาให้ขยับการเคลื่อนไหวดูซิอย่าให้มันอยู่นิ่งให้มีสติยศในการเคลื่อนไหวของตัวเอง อันนี้หลัวทส น, า ล, า, า, น า, าลูกปัจจณาจติปัฏฐานกายย้าวลูกปัจจณาจติปัฏฐานขยันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออ ก, ห า, ออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายต้งปูมั่นท่านบอกว่าถ้ากําหนดกายกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างกําหนดไม่อยู่และจะไปกําหนดจิตมันกําหนดยิ่งไม่อยู่เพราะมันละเอียด กำหนดกำหนดธรรมที่มากระทบใจก็ยิ่งเหลวไหลไปอีกเพราะฉะนั้นให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซะก่อนให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกซะก่อนถ้าเราจับลมหายใจเข้าออกอยู่นิ่งไม่เผลอผายไปทิศทางอื่ น, นเพียงเท่านี้ก็เป็นหลักได้แล้วต่อไปเราจะจับเข้าไปหาเวทนาหรือไปหาจิตหรือไปหาธรรม ก็มันจะเป็นทางเข้าไปแต่ถ้าว่าเราไปจับสิ่งที่ละเอียดก่อนนณะจับของหยาบเขายังไม่อยู่แล้วจะไปจับของละเอียดนั้นเออมันยากเออว่าไม่ได้ท่านใ ห, ทนให้ท่านให้เหตุผลอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาแลอว่ากำหนดกายให้กำหนดกายเออเวลาหายใจเข้าพุดหายใจออกโถแต่หลวงพ่อเ อ, อ่เคยแนะนำานะบอกกล่าวแก่คณะทศทญาติโยมขอให้พวกเรา ฟังฟังดูนะที่หลวงพ่อแนะนําหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนคือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บั่นที่เป็นปรมาจารย์หรือว่าต้นตระกูลของพวกเราแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพวกมันยังพุทออกไปอยู่ให้บริกรรมถีทีนะทดลองดูให้บริกรรมพุทโทพุทโทพุทธโทพุทโทพุทธโทพุทธโทพุทธให้ถีทีแล้วจะเป็นยังไงบางทีจะไม่เห็นม่มีช่องว่างที่จะหลุดออกไปได้ อันนี้ก็คือกรรมฐานหนึ่งเหมือนกันที่จะทําจิตให้สงบเอ่อโดยนอกนั้นหลวงพ่อเองก็บอกว่าพวกเราถนัดในการนับให้พวกเรานับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อยและกลับมานับหนึ่งใหม่มันเผลอไหมคําว่าเผลอคํานี้คืออะไรเวลาเรานับหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขขี้ หายใจออกสองเป็นเลขคู่หายใจเข้าสามเป็นเลขคี่คี่คู่คี่คู่คี่คู่ไปถึงร้อยไม่เผลอแปลว่าเราเรามีสติอยู่ 1, 1หนึ่งหนึ่งนาทีกว่ากว่าถ้านับถึงร้อยกลับมาอีกออนับอีกถ้าเราไม่เผลอแสดงว่าสติอยู่กับตัวเองเออนานเท่านานถ้าไม่เผลอเลยนั่นแหละสติของเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อย จากนั้นเราจะกำหนดอะไรกับบริกรรมพุทโธอะไรก็ได้เถอะแต่ถ้าว่าเราบริกรรมหนึ่งสองสามไมยังไม่ถึงสิบไปถึงยี่สิบหลุดลอยไปรู้ไปที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้แปลว่าไม่น่าไว้ใจสติของเราอ่อนเกินไปเพราะฉะนั้นเราควรตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกออถ้ามันจะออกมันจะเบอร์เบอร์เบอร์เบอร์เสร็จแล้วเมื่อกีหายใจเข้า อ, อทั้งที่มันจะเป็นเลขขี้มันกลับเป็นเลขคู่ที่ไหน หายใจเข้าเป็นเลขขู่หายใจออกเป็นเลขขีดแสดงว่ามันสลับกันแล้วสติเราขาดแล้วอันนี้เข้าเราสังเกตได้ง่ายๆเพราะนั้นเขาเขอให้พวกเราอยู่วัดทั้งเจวันเนี่ยอยากจะให้พวกเรานั่งภาวนาให้สังเกตและให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำไปเก็ไม่เสียเวลามากนะคณะจตา ย, ยางค์โยมทุกทุกท่าน เ, เพียงเจ็ดวันก็ไม่เสียหายอะไรทดลองดูสิอย่างที่หลวงพ่อได้พูด เรื่อใครจะถนัดบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถก็ได้แต่ไม่ต้องตามลมไปในท้องและไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่าให้สติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกแต่ถ้าพวกเรากำหนดดูไม่รู้ว่ามันเข้ามันออกยังไงให้พวกเราหายใจแรงนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกงแรงฟพุทธมันกระทบที่ไหน ในเมื่อมันกระทบที่ปลายจมูกกระดั้งจมูกดิส ช, ชานจมูกอย่นี้เราเอาสติจับอยู่ตรงนั้นไม่ต้องตามเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็พร้อมกับคําบริกรรมพุทธโธแต่ทำกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราวันคืนที่ท่านได้ตัดสรู้คือวันเดือนหกเพน่ะ พระ อ, องคนะ์นั่งขัดสมาธินะกนัศสัทยายาจงนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายที่โคลนต้นโพพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในในช่วงนั้นจากนั้นก็เอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นพระ อ, องค์กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจสั้นยาวมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้า แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเรากำหนดลมเฉยๆมันมีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายเพราะท่านให้สำพับหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนะอันนี้ก็คือคล้ายๆกันแต่พวกเราจะบริกรรมแต่จะกำหนดแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้หรือจะเอาสำพับบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างที่หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์สอนพวกเราก็ได้แต่ใ น, นเมื่อพระองค์ พระพุทธเจ้าของเรานั่งคัดสมาธิปฐมมายามคือยามหัวค่ํายามตอนย่าค่ําจิตของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเจวะปุเพในวาสารวัตติญาตคือมองพระ อ, องค์เองเอมองพระ อ, องค์เองระ ล, ลึกชาติานหลังชาติที่แล้วเราเป็นอะไรก่อนเป็นยังไงพระ อ, องค์รู้ได้ด้วยญาณทัศนะของพระ อ, องค์ในปถมมายามแต่พอถึงเที่ยงคืน พระ อ, องค์ไม่ลดละมองคนอื่นมองวิญญาณอื่นมองศรัทธาญาติโยมมองสิ่งที่มีวิญญาณทั่วไรโลกถาดท่านมองอยากจะรู้อะไรมองคนอื่นอย่าวะจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการตุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้พระ อ, องค์ก็รู้ว่ามองคนอื่นเนี่ว่ามาจากไหนมาเกิดออกจากนี้แตจะไปไหนพระ อ, องค์ก็รู้ได้อีกเหมือนกันเพราะมีญาณรัศนะ พอจวนจะสว่างพระองค์จึงได้ตัดทารุเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่นี่แหละขอให้พวกเราคณะทายาิโยมทุกทุกท่านนะอันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติวิธีการทำจิตใจให้สงบวิธีทำใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะทำยังไงนะขั้นตอนต่อไปที่นี้ต้องเดินวิปัสสนาณะเมื่อจิตสงบแล้วว่าเออจว่า กินตามมยะปัญญากับภาวนามยะปัญญาเภาวนามยะปัญญาจากนั้นเราก็กำหนดพิจารณาเพราะพระเจ้าให้กรรมฐานอะไรกรรมฐานห้าเกษาผมโลมาขนนาขาเล็ทันตาฟันตะโจหนังอันนี้แหละคือวิธีเดินกรรมฐานแล้วถึงสรุปแล้วคือเราได้หลงอะไรมนุษย์ของเราหลงอะไรหลงกายหลงกาย พระพุทธเจ้าว่าหลงกายมนะไม่เมื่อพิจนาไม่เมื่อหลงกายเราก็พิจนารณาแยกกายเทไเพราะพระพุทธเจ้าให้แยกกาย เ, ยเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้ดูเกศาผมถอนผมหรือถอดผมถอนผมเอามาไว้กองหนึ่งหน้าขาเกศาผมโลมาขนถอนขนไว้ในร่างกายไปไว้กองหนึ่งหน้าขาเล็บถอดเล็บไปกองหนึ่งทันตาฟัน ถอดฟันไปไว้กองหนึ่งแต่โจหนังทารกหนังไปไว้กองหนึ่งสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าชํำแหละชํำแหละร่างกายของเราเพราะมันมันหลงร่างกายไงพอกำหนดช้ำแหละหนังออกไปเป็นกองไว้กองหนึ่งจากนั้นก็เห็นแต่เนื้อเนือแดงเถือกช้ำแหละเนื้อออกไปไปไว้กองหนึ่งจากนั้นก็เอาตับเอาปอดลําไส้ อาหารใหม่อาหารเก่าแยกเป็นคนละส่วนละส่วนละส่วนจากทั้งกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขากระดูกชี่โครงกระดูกกลังเรามีไหมเราถามตัวเองหัวใจเรามีกระดูกอย่างนั้นไหมเรามีตับมีปอดไหมมันก็จะต้องหว่าใชยมีตับมีปอดเอากองไว้เป็นกองกองพอกองเสร็จแล้วทีนี้เรากำหนดดูซิว่าผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหม หนังเป็นเราใช่ไหมกระดูกเป็นเราใช่ไหมลำไส้อะไรเป็นเราใช่ไหมมันก็ปฏิเสธว่าใช่มันเป็นของเราอยู่แต่มันแยกออกไปแล้วมันไม่น่าจะเป็นของเรามันเป็นเป็นคนละส่วนละส่วนกันนี่แหละในเมื่อเราเห็นอย่างนั้นทถอะนี่เราก็ถามใจของเราเถอะนี่ดูใจของเราใจของเรานี่นะร่างกายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจเออใจมันก็ต้องจำหลนเถนีถ่เพราะมันมันมันพิจารณาอสุณภาพแล้เห็นอสุภาพล้ว ใช่กายของเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งนะกายนะใจนะอีกสักวันหนึ่งร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องถูกเผาไฟทิ้งแน่นอนใช่ไหมใจ เ, เพราะว่าเราทำสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ากายก็เหมือนกับรถใจก็เหมือนกับคนขับรถนะมันแยกกันได้แล้ว เ, เราก็มา่ําแหล่รถโดยสินเชอใช่ไหม รถขันนี้มันจะต้องแตกตายสลายแน่ใช่ไหม ใ, ใจในี่แหละเมื่อเราเห็นกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนเนี่ยมันกระดูใจใจของเรามันหลงอะไรหลงร่างกายใช่ไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าร่างกายมีป่าช้าร่างกายนี่ตายเป็นแต่จิตใจนี่ตายไม่เป็นพอร่างกายแตกตายสลายแตุ่ดวงวิ ญ, ญญาณคือใจนันออกจากร่างไปปฏิสนธิ ถ้าว่าเรายังมีกิเลสอยู่กิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เราก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเรามีบาปมีกรรมในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราทำกรรมชั่ว เ, เราทำกรรมที่ไม่ดีทำบาปอกุศลเราอาจจะไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉาญไปเกิดเป็นช้างม้าหมูวัวควายหมูหมากาไกา่เกิดได้ทั้งนั้นเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดเกิดได้ทั้งนั้น เพราะอะไรเพราะทำกรรมชั่วแล้วถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะเป็นผู้พานำไปสู่สุขติถ้าหาว่าเราทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เข้าสู่นิพพานแต่ถ้าว่าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นก็ขึ้นไปสู่พรมสุทาวาสเป็นพระอนาคามีจากนั้นพระสักคทาคามีก็เกิดชาติหนึ่งพระโสดาบันก็เกิดสามชาติเนี่ยี่และขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกคนที่มาปฏิบัต ภาวนาในครั้งนี้มารักษาศีลแลภาวนาในครั้งนี้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังเมื่อใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วให้พวกเราพิจารณาแยกแยะร่างกายของเราเนี่ยแหละร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริ ง, รงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านี้เห็นรู้ตามความเป็นจริง เ, เพราะว่าในขนาดร่างกายแท้ อย่างไม่ใช่ของเราเออสามีภรรยาลูกหลานวงศ์สาคานายาตจะเป็นของเราได้อย่างไรเงินคําทรัพย์สงบัติสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราใช่ไหมใจท่านี้มันก็เมื่อเราไม่หลงตัวเองมันก็ไม่หลงส่วนอื่นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องปัจจัยอาศัยซึ่งออต่อกันเท่านั้นเองมันไม่ได้ ทำให้จิตใจของเราทกยากลําบากกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้แล้วว่าใจของเรากายของเราก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปหลงส่วนอื่นนั้นไม่น่าจะถูกต้องนะใจนะเนี่นี่แหละมันเบื่อหน่ายคลายที่ไหนปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจสรุปแล้วทำละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางที่ใจในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเออ พระพุทธองค์เฉด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสักย์วัดป่าเวลุวันสมัยนั้นก็คือพระเจ้าพิมพิสารแต่ยังของราชอยู่พระเจ้าพิมพิสารพาบริษัทบริวารเข้าวัดเแล้วมาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านับถือเลื่อมใสกัน ม, มากต่อมากแต่ท่านก็มีอัคคมเหตสีเทวดานางเขมา อ, มอัคคะมเหตสีของ ข้าเจ้าพิมพิสารเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามมากในยุคสมัยนั้นเพราะว่าในอดีตชาติท่านก็ตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจ้าปทุมุตตะท่านบอกว่าเกิดพบในชาติใดก็ขอให้ข้าพเจ้าเสร็จสวยงดงามและก็ขอขอให้ได้สาเร็จมักสำเร็จผลในที่สุดด้วยเทินะเพราะนั้นท่านเกิดมาพบี้ชาตินี้ท่านก็สวยงาม นางเกมาก็ได้เป็นอัคคเมเหสีของพระเจ้าพิมพ์พิสารแต่ท่านี้พระเจ้าพิมพ์พิสารสร้างวัดป่าเวทุกวันคนทั้งหลายก็เข้าวัดมากแต่นางพระนางอัคคมเหสีนางเกมาไม่เข้าวัดเพราะเหตุไรเพราะได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระพุทธเจ้ า, าตําหนิร่างกายพระพุทธเจ้าตำหนิร่างกายว่าร่างกายเนี่ยเป็นของอสุภะนะมันปฏิโกณนะในสิ่ง ปฏิกูลไล่ออกทวารทั้งเก่าขี่ตาขี้หูขี้จมูกขี้ไข่อุจจละปัจจวะมันไม่แต่ไล่ออกจากร่างกายนี้ทั้งหมดเพราะร่างกายนี้เป็นของไปสวยงามเป็นของอสุภนะนางคนชอบรักสวยรักงามอยู่แล้วเพอได้ยินอย่างนั้นไม่พอใจออไม่ไปไม่ไปวัดไม่ไปฟังธรรมเทศนาไม่ไปวัด พระเจ้าพี่พี่สารที่เป็นพระสามีเนี่ยจะทำยังไงนางเข้ามเฮสีจะเข้าวัดท่านก็าหาคนม า, าแต่งเพลงแต่งเพลงบรรยายเกี่ยวกับวัดปายเวลุวันสวยยังไงงามยังไงพระสงฆ์อยู่ยังไงผู้คนเกี่ยวข้องอย่างไรเหมือนกับเพลินพรมแดน แต่งเพลงพุทธประวัติคือว่าแต่งเพลงหลวงปู่มั่นอย่างนั้นอ่ะหรือแต่งเพลงของหลวงตาอย่างนั้นอ่ะในบรรยายความสวยงามของวัดป่าเวรุวันที้นางได้ได้ยินพอได้ยินเออวัดป่าเวรุวันนสวยขนาดนั้นเชี่วเหรอเพื่อแต่งเพลงออกมาเคลิ้มไปหมดอ่ะเขาว่าสวยงามนางเออเดี๋ยวจะเข้าไปยังไงยังไงเป็นดูสัก่อนสักครั้งหนึ่งแต่ตามไปจริงเหอเนี่แหละไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าตำหนิว่า ร่างกายเป็นของไม่สวยงามเนี่ยบางคนมันติดสวยติดงามติดขนาดนั้นนะสัทายาญาติโยมนะคือไม่อยากจะได้ยินเลยครับว่าอสุภะอติกูในร่างกายเนี่ยอย่างหลวงพ่อที่พูดน่ยแยกส่วนแบ่งส่วนพวกเราบางคนได้ยินกับไม่อยากจะได้ยินแต่ตามใไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาความจริงมาพูดให้กันฟังเอามาเอาความจริงมาเพื่อการศึกษานี่แหละเรียกว่าแยกแยะแบ่งส่วนแบ่งส่วนแต่พระนางนี้ก็เช่นเดียวกันพนางเขมานี่ แลนะท่านก็ไม่อยากจะฟังสองสิ่งปฏิกูลสกโปกนงะจากนั้นท่านก็วันนั้นท่านก็เห็นบริษัทบริวารมาเข้าไปวัดท่านก็แบบร่ำร่ำเข้าไปนะฮะไปไปแอบแฝงมกงไปกับบริวารนันะ่นพอเข้าไปท่านนี้พระพุทธเจ้ารู้แล้วว่านางเขมาจะเข้าวัดนะมีอุปนิสัยบารมีแก่กล้าแล้วพร้อมที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วข่าวนี้เพราะเท่าบารมีของท่านปรารถนามาจากพระเจ้าปตุมตตตะ เขาตั้งความปรารถนาสมบูรณ์แล้วในคราวนี้พระองค์ก็นิรมิตหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนสวยงามมากยิ่งกว่านางเขมาอีกเลยแต่นางคนนี้นะ่ะมาพัดใช้พัดนะ่ะมาพัดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าก็นั่งแต่คนอื่นไม่เห็นนะคนอื่นไม่เห็นเห็นแต่นางเขมาคนเดียว ที่เอาใช้พัดวีพัดพระพุทธเจ้าอยู่นางเคมามองเห็นเท่านั้นนะตะลึงเลยเป็นโอ้โหใครว่าพระพุทธเจ้าตําหนิคนสวยงามเราเนี่ยกับนางคนนั้นะ่ะมันไม่ถึงเชี่ยวเขาเลยเขาทําไมงามถึงขนาดนีโอ้โหดูลับเป็่งปั่งสดใสไปหมดนางเห็นในทน้นก็ตาจ้องดูดูโลก ดูรูปที่ข้างๆพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธนิมิตน่ยญี่ปุ่นเป็นนิมิตผู้หญิงอยู่มาใช้พัดใน ข, ข้างๆพระพุทธเจา้าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเห็นแต่นางนางเขมมาคนเดียวนางไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงพระพุทธเจา้าไม่ได้ยินเสียงพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาเลยมีแต่ตาเจ้า อ, อยู่อย่างเดียวพอต่อมาพระพุทธเจ้าก่อนนิมิต ให้เด็กคนนั้นน่ะที่เด็กสาวคนนั้นที่สวยๆนะ่ะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทีนี่อายุสิบห้าสิบหกอายุยี่สิบอายุยี่สิบห้าอายุสามสิบอายุสามสิบห้าสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบตอนที่สุดรูปร่างนั้นน่ะเออเท่าแกชา่ชราแล้วก็เป็นเห็นต่หนังหุ้มกระดูกจากนั้ก็ตายพอตายลงไปก็เห็นแต่กระดูกกองขาวโพนอยู่ข้างๆ พอนางเห็นเท่านั้นโอ้โหร่างกายของคนเนี่ยมันเพียงแค่นี้หนอเออเมื่อกี้นี่ความสวยงามตอนนั้นหายไปไหนหมดแต่บัดนี้เห็นเป็ิดเห็นแต่กองกระดูกอยู่ข้างๆ ข, ขนาดร่างกายของเราก็ว่าเราสวยแต่ยังไม่ถึงเชี่ยวของหญิงสาวคนนั้นที่เราเห็นจากคู่นี้แต่บัดนี้เห็นเป็นกองกระดูกร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่แพ้กันหนอ๋อ ตอนนี้เมื่อนางพิจารณาอย่างนั้นแล้วถึงพระ อ, องค์ก็รู้วรารจิตของนางบอกว่าเออนี่เขมาเธออย่าไปลุ่มหลงในร่างกายร่างกายนะ้่มันมีเพียงเท่านี้แหละไม่มีอันไหนอันไหนที่จะเหนือกว่านี้เ อ, อปฏิกูลไหลออกทวารทั้งเก้าออมันไหลออกทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้คนที่หลงภาระชนเท่านั้นจึงติดอยู่ในร่างกายนี้ ถ้าเป็นอริยะพิจารณาตามเห็นตามความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ติดในร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้เป็นของอสุภะปฏิกูลอย่างเธอได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมนี่แหละเธออย่าไปลุ่มหลงมัวเมานะัานจากนั้นนางก็ได้สําเร็จพระโส ด, ดาบันในขณะนั้นจากนั้นพระองค์เทศให้ปล่อยวางอริยะสัจสี่ทุกสมุทัยในโรดมักแจ้งให้ชัดเจิงเข้าไปอีกนางได้สําเร็จเป็นพระรหรัต เพราะบารมีของนางแก่กล้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าท่านได้ปาถนาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพปทุมมุตระได้ตั้งความปราถนาไว้แล้วจากนั้นมาท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านได้สําเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นพอได้สําเร็จเป็นพระรหันพระพุทธเจ้าก็รู้แนหะเขมาได้เป็นพระรหันแล้วก็ถามพระเจ้าพิมพิสารที่เด็จประทับอยู่ข้างข้างมหาบพิษ เคมาในเขาสําเร็จเป็นพระอรหันแล้วนะถ้าว่าเขาไม่บวชอายุเขาจะอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเขาก็จะนิพพานปรินิพพานแล้วนะพระองค์จะว่าอย่างไงพระเจ้าพิพิสานก็โอ้ขอให้พระทางได้บวชเธอเอให้ได้บวชเป็นภิกษุณีเถอดพระเจ้าค่ะอนุญาตให้บวชถ้าวันนางปรินิพพานไปแล้วก็หมดไปในเมื่อนางยังทรงธาตุขันอยู่ข้าพระองค์ก็จะได้ไ ด, ได้กราบได้ว่าย พนังได้บรรลุธรรมได้ตัดจรู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านกันพระโสดาบันท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพร้อมที่จะเคารพผู้มีจิตสูงส่งหรือจะเป็นสตรีและเป็นผู้หญิงท่านก็กราบได้เพราะท่านเป็นเป็นพระโสดาบันแล้วนี่แหละอันนี้ยกตัวอย่างให้แก่พวกเราคณะทายาทโยมได้ฟังในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ายัางเห็นว่า ผู้ที่หลงในร่างกายก็มีว่าเป็นของจิรังถาบอนเป็นของมันง่นคงถาบอนเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าธะว่าร่างกายไม่ใช่ของจิรังถาบอนเะน้ออีกสักวันหนึ่งร่างกายนายี้จะต้องแตกต้องสลายตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นต้องสู่ติ น, น้ำลมไฟเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ ให้พิจารณาเอาไว้อย่าหลงร่างกายร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพีมันทนุถนอมถึงขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนยาแก้โรคไภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มสวยงามขนาดไหนจะสร้างตึกลานบ้านซ่องให้หรูหราโออาที่พักผ้าใสให้ดีขนาดไหนร่างกายนี้ไม่มีไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้า มีตะวันแก่แก่ผมหงอกผมขาวฟันหลุดหนังเหี่ยวหูตึงตาฝ้าฟางมันจะไม่หนุ่มไปหน้าพอใ น, นสู่ก็ถึงจุดจบน่ร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเพราะนั้นเราอย่าไปหลงร่างกายให้รพระพุทธองค์บอกว่าให้พิจารณาให้พิจารณา ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นความเป็จริงแล้วจิตใจจะเบื่อหน่ายคลายจิตใจจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารเป็นอนันตการนี่หลวงพ่อได้ยกบาลีขึ้นเป็นเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานั่งบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างหลวงพ่อของเราเป็นปูชนียบุคคลเป็นปูชนียะที่พวกเราจะต้องเคารพนับถือ ถ้าท่านเป็นภูมิพระคุณเป็นบุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสําหรับสิทธิานุสิทธิทั้งหลายและพร้อมกันก็พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุหรือพาดพระอรหันต์อยู่บนพระเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่เคารพสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเราเร่งมารวมกันมาร่วมกั น, กนแสดงความเคารพสักการะในปูชนียสถาน ย่าว่าปูชาจะปูชนียานะังเคารพในสิ่งที่ควรเคารพสักการะบูชาปาปัญจเมนติกะตังกุหินจิตดสมาณสังเกตมารนาขมายติติบูชาบุคคลที่คุณบูชาและข้าพระเจ้าไม่มีความชัว่วซึ่งทำไว้ณที่ไหนเลย ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวไม่เกรงความตายที่จะมาถึงอันนี้ก็คือเห็นพระบาลีถ้าพวกเราทําแต่คุณงามความดีสั่งสมแต่คุณงามความดีพวกเราไม่ต้องกลัวความตายเพราะเหตุอะไรถึงจะกลัวหรือไม่กลัวก็เท่านั้นมันจะต้องมาถึงอยู่แล้วเพราะฉนั้นพวกเราให้สั่งสมคุณงามความดีถ้าว่าข้าพเจ้า ทำคุณงามความดีไปแล้วถ้าตายไปแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ไปตกนรกแน่ๆเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทาความชั่วช้าเสียหายข้าพเจ้าทำคุณงามความดีอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนมาโดยตลอดข้าพเจ้าไม่กลัวความตายเพราะนั้นถ้าคนมีคุณงามความดีในจิตในใจแล้วพวกเราจะไม่กลัวนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องอุ่นใจพอําลึกถึงคุณงามความดี เราก็หวันไหวกลวยแกลงเอเมื่อออกจากชาตินี้แล้วเราจะไปที่ไหนเราทํากรรมชั่วไว้มากมายหลายๆอย่างเราจะไปใช้กรรมอย่างที่พ่อแม่ผูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้หรือเปล่าเนี่ยเราก็กลัวออกลั ว, ก ล, วกลัวความตายแต่ถ้าเรามีตะคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจเอาถ้าเมื่อข้าพเจ้าออกจากชาตินี้เราทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคําคือภาชนะทองคําก็คือมรรคคือผล ที่พวกเราได้สั่งสมคุณงามความดีไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหาญาตโยมทุกๆกท่านนะให้มั่นใจในการทําคุณงามความดีพวกเราสั่งสมคุณงามความดีแล้วถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบนะหลวงพ่อมั่นใจสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเห็นตัวเองเลยเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก พวกเราจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งที่เป็นอัปปนาสมาธินะเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งมันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้น่ะร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่รถนี่แยกตายสลายแน่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดหุบผมคนเล็บฟันหนังเ้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผื่เหมือนกับเราแยกแยะรถคันนี้ละ่ะมีอะไรบ้าง มีหม้อน้ํามีสายพานมีอะไรก็มีอะไรคือในรถนะแต่โซเฟอร์นะมองดูรถแต่ว่ารถคันนี้เวลามันตายหรือว่ามันน้ําหมดหรือมันเสียหายรถคันนี้รถเสียใจไหมมันไม่เสียใจนะโซเฟอร์เสียใจนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายนะมันไม่ได้ว่าอะไรแต่ผู้เสียใจก็คือใจคือน้ำมาทำตัวเพรรู้นะรู้รู้นะเพราะพระเจ้าให้ความสนใจจุด นามธรรมมเป็นอย่างมากมากกว่าเรื่องของรูปรธรรมรูปรธรรมคือร่างกายในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพวกเราศึกษาให้ดีแล้วพระองค์เน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเราที่ท่านท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ว่าคราวนี้นะ ให้มานั่งปฏิบัติธรรมให้ดูใจนะนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบและให้ดูใจเดี๋ยวได้ใจเราหลงอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเราหลงร่างกายใช่ไหมยอย่างก็แยกแยะร่างกายดูจากนั้นก็เมื่อก็แยกแยะร่างกายดูแล้วก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้ชี้แจงให้ฟังว่าในครั้งพุทธการพระอัครมหาเสีของพระเจ้าพิมพิสารท่านก็หลงร่างกายเหมือนกันนะพนางเขมา าจากนั้นพระองค์ก็เนรมิตพุทธนิมิตให้ดูจากนั้นดางเขารู้แจ้งเห็นจริงก็ได้บรรลุธรรมได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นก็ได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านการสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยมันเป็นอุปนิสัยนะคะ น, ะนะัศัทธาญาติโยมนะถ้าไม่พ้นทุกในชาตินี้ เราก็ยังเป็นอุปนิสัยต่เอเนื่องไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆปุนกุศลเข้าสู่จิตใจเน่ยบารมีแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนีถ้าพบนิชาตินี้ไม่ได้สําเร็จนะก็เนี่ยถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อพระศรีอริยะเมตไตรลงมาตัดนะพวกเราเขลงมาเกิดเด็กมาฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ท่าน พวกเราก็จะได้สําเร็จมรรสําเร็จผลในศาสนาของพระสีอริยะเมตไตรประดันการสังสมบุญกุศลไม่เสียไม่หายไปไหนมันอยู่กับจิตกับใจของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราทําบาปเท่านั้นอ่ะถ้าเราทําบาปบาปก็ติดจิตติดใจเหมือนกันนะอย่าไปทําบาปทําแต่บุญกุศลจะพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญการกล่าวสมโภชธนิยกถาดุว่าการแสดงธรรมในวันนี้เห็นว่าสมควรกับการเวลา